เมื่ อ, อยังมีตัวกูอยู่ในความรู้สึกก็ยอมเกิดแรงขับดันให้กระทำการเพื่อตัวกูเป็นขณนะขณนะไม่ว่าจะต้องทำด้วยอาการหน้าสว่างหรือหน้ามืดก็ตามอย่างเช่นเห็นรถโผล่หูออกมาจากปากซอยแล้วยังลืมให้ทานบ่อยๆยัยงรีบเร่งเครื่องไปกันเข้าไว้เพื่อตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียเวลาชะลอเมื่ อ, อยังมีการกระทาเพื่อตัวกูฉันก็ตรหนักถึงความไม่ปลอดภัย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 ฉันหยุดยืนมองกุฏิพระงันมองใบไม้เขียวต้องลมครูเกลีกยวจิตใจเยือกเย็นไม่คิดเอาอะไรโลกนี้มีที่เดียวไม่น่าอยู่คือใจอันเป็นที่ตั้งของทุกนอกนั้นจะระเฮเร่ร่อนไปไหนๆก็ตามทุกแห่งคือสถานที่อันน่ารื่นรมได้ทั้งหมดเข้าใจอารมณ์ของผู้สแสวงหาความหลุดพ้นที่ทิ้งได้หมดทุกอย่าง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 ก็สุดแท้แต่ว่าาสนาแล้วกัน